รวมครอบคูลเเสเชิญมีอะไรบ้างที่เจอ เจอแล้วมันกระทํากับท่านอย่างไรท่านก็บอกว่าๆหน้ามันก็มองกูกูก็มองมันแล้วกู เอ็งจะคัดแกงข้าอย่างไรก็เอาแต่ถ้าหาก ท่านเคยเจอกับพวกพูดผีปีศาจบ้างไหมแล้วหลวงพ่อเจอกับมันที่ ที่บนภูควายถ้าใครใจไม่ถึงก็ลําบากเหมือนกันวันนั้นข้าไปถึงที่ภูควายมันเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วข้ากําลังจะขึ้น อย่าขึ้นไปเลยบนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเสือก็ร้ายช้างป่าก็เกเรเคยฆ่าพระทุรงฆ่าชาวป่า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 ท่านก็ออกเดินทางขึ้นภูควายไปถึงบนนั้นไม่ มองไปรอบๆแล้วค่ำลงท่านก็ทํากิจๆจนยาม และหลังจาก 2 ยามล่วงไปแล้วหลวงพ่อคุณท่านก็ถอนสมาธิพลๆส่งเสียง ก็เพราะจิตของท่านสระแล้วทุกอย่างได้หวาดกลัวตะอย่างใดเพราะจิตของท่านๆมากำหนดเห็นสิ่งผิดสังเกตเมื่อทั้งป่าเงียบสงัดเสียงริริดเรไรแมลงสัตว์ ลมพัดอู้เหมือนฝนแต่ไม่ได้สนใจอะไรตกแน่แล้วเดี๋ยวฝนคงจะตกท่านเนี่ยติอย่างนั้นแต่มิ แต่ไคว่ตนพูดกันจ๊อกแจ๊กบนภูยันดึกสงัดอย่างนี้ท่านแต่แคลงหูจับฟังจับใจความ คนนี้คงจะเป็นอะไรหรือใครไม่ได้นอกจากเสียงผีพวกเราไปได้หรอกฮ่าๆๆ ต้องการอะไรอะไรเพื่อระงับช่วยเขาได้ก็จะได้ช่วยเขาไปท่านจึง มีผู้คนทั้งหญิงชายเป็นจํานวนเป็นร้อยก็ว่าได้และมีชาย 1 และหญิง 1 นั่งมาบนคานหามบอกลักษณะว่าคนคู่นี้น่าจะเป็นนายหรือหัวหน้าและหญิงชายที่นั่งบนคานหามนั้นจะ ในจิตของท่านที่กำหนดส่งออกไปนั้น มากันมากมายมีอะไรจะให้อาตมาช่วยก็บอกนะอาตมาเป็นพระมาแสวงหาสัจธรรมอาตมาไม่ยึดติดอะไรแล้วขอหาความเป็นอมตะของสังขารความเวียนว่ายตายเกิดนั้นจุดหยุดนิ่ง ฤาจะมาฟังธรรมะของอาตมาที่ได้รับคําสอนมาจากองค์พระ ถ้าไม่อยากเหมือนพวกคนก่อนท่านเหมือนขโมยเข้ามาในถิ่นไม่บอกท่านนั้นสมควรตายโยมอาตมาไม่ทราบว่าถิ่นนี้เป็น อาตมาเป็นลูกตถาคตอาตมาหลุดพ้นแล้วเรื่องกิเลสขอค้น พระราชินีเห็นพวกคนล้มตายลงโดยที่ช่วยเขาเหล่านั้นไม่ได้ พวกเราเข้าใจว่าเมื่อมาในถิ่นของเรา ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนิพพานเป็นแดนอมตะตถาคตเจ้าพระสาธุพวก เมื่อยึดติดอยู่กับสมบัติพัสถานสิ่งเหล่านี้ถึงทําให้พวกเราเราได้ให้พวกเรา ให้เกิดออเถะสพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุข วิญญาณของผู้พวกนี้ที่อยู่บนภูควายได้หลุด การออกบิณฑบาตของพระทุโดงไม่หวัง Subscribe จะ